<ม>ถ้าเป็นการการรูปจะมาลาเลยนะคะแล<า> ก, กับวันที่สิบสามนะเจ้าค่ะลรวก็กลับครบแล้วเลยครบเวลาแล้วกลับคักับคารก็กับกออ่าก า, ขานส้เอาการหน้ามาใหม่เว่าไงนะคะอากาสหน้ามาใหม่มากค่ะขอขอนุญาตเลยนะเจ้าค่ะขอพระพุนเจ้าเป็นไงสงบดีไหม ดีมากครัเป็นเป็นครั้งแรกที่ปฏิบัติปฏิบัติได้ดีมากครัต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะพยายามกลับไปพยายามทำต่อนะอย่าไปทิ้งมันคงไม่ได้ร้อเอร์เซ็นต์แต่เอาสักแปดสิบก็ยังได้เก้าสิบก็แล้วกันนะครับผลมันอยู่ที่การปฏิบัติเนี่ย ถ้าปฏิบัติผลก็เกิดถ้าไม่ปฏิบัติผลก็ไม่เกิดการอ่านการฟังนี้เป็นเพียงการศึกษาการดูแนวทางของการปฏิบัติแต่จะให้เกิดผลนี่ต้องปฏิบัติต้องนั่งเฉยๆหยุดความคิดหยุดความโลภความโกรธความหลงความอยากต้องใช้สติให้มากๆสติจะหยุดความคิดหยุดความโลภโกรธหลงได้ พอใจก็จะมีความสงบมีความสุขไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีเงินอยู่คนเดียวได้มีก็เฉพาะมีเงินก็จะให้เฉพาะซื้ออาหารเท่านั้นเองแต่อย่างอื่นไม่มีความจําเป็นที่ต้องซื้อเพราะความสงบนี้มันดีกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่ต้องทํากัน ต้องขยันควบคุมใจด้วยสติพุโทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้คิดอะไรหรือกำลังทำอะไรก็เฝ้าดูว่าเรากำลังทำอะไรกำลังแปลงฝนก็ให้อยู่การแปลงฝนอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หวีผมอาบน้ำแต่งตัวให้อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่อย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้น ถ้าจะคิดก็คิดว่าเดี๋ยวก็ตายแนละ้ว ค, คิดถึงวันนั้นเดี๋ยวก็ตายคิดถึงวันนี้เดี๋ยวก็ตายทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเวลาเขาจากเราไปเ็เสีย อ, อกเสียใจไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปยุ่งของเขาดีกว่าอยู่ของเราคนเดียวอดปัญหาปัญหาคือเราอดคิดไม่ได้ พอคิดแล้วก็อดอยากไม่ได้คิดถึงเขาก็อยากจะเจอเขาแล้วก็ต้องไปอยู่กับเขาพอไม่ได้พอไม่ได้อยู่ก็เสียใจเหงาววาดเว่ยเพราะไม่หยุดความอยากกันความอยากทําให้เหงาทําให้ววาดเว่เวลาอยู่คนเดียวถ้าหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้ ใจสงบจะไม่รู้สึกว้าเหวจะไม่รู้สึกหนาจะรู้สึกสบายอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับหลายคนอยู่หลายคนแล้วเรื่องมากมีแต่เรื่องให้มาต้องวุ่นวายกันอยู่คนเดียวถ้าจิตสงบแล้วสบายถ้าไม่สงบก็ฟุ้งเครียดเกิด อ, อ, อัดหลุดเหยียดลำคาญใจเพราะอยากอยาก ได้สิ่งนั้นอยากได้คนนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากได้คนนี้อยากไปนู่นอยากมานี่อยากทำนู่นทำนี่พอเกิดความอยากทีนี้จิตมันก็จะวุ่นนะเะงั้นต้องพยายามหยุดความคิดหยุดความอยากถ้าหยุดคิดมันก็หยุดอยากเพราะความอยากมันต้องคิดก่อนถึงจะอยากได้ตอนนี้ไม่ได้คิดถึงขนมก็ไม่อยากกิน แต่ถ้าไปคิดถึงขนมเดี๋ยวก็อยากกินขึ้นมาคิดถึงแฟนก็อยากจะไปหาแฟนคิดถึงเหล้าก็อยากจะไปดื่มเหล้าคิดถึงอะไร้วมันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาพออยากเราก็อยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยเฉยไม่ได้อุดเหง็ดลำคาญใจเศร้าส้อยงอยเหงาว้าเวแต่ถ้าเราควบคุมความคิดได้อยู่ความคิดได้แล้วจะสบาย จะไม่มีความรู้สึกหนวดเหเงีดไม่รู้สึกราคาญใจยัน <c oughs> ถ้าไม่รู้จักวิธีหยุดความคิดก็ให้ท่องพุโทโธไปท่องพุโทโธไปเรื่อยๆบริกรมรมพุโทโธพุทโธไปภายในใจพุโทธโทธพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดอะไร ถ้าเราบริกรรพุโทโธไปเรื่อยๆมันก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอไม่มีความคิดความอยากก็ไม่มีความเบาอกเบาใจก็สบายความสบายใจก็ตามมาอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครไม่ต้องมีไปยุ่งกับใครอันนี้คือขั้นที่หนึ่งทำใจให้นิ่งให้สงบหยุดความคิดได้ ถ้าหยุดได้แล้วขั้นต่อไปก็ให้มันไปคิดในเรื่องที่จะทำให้เราเบื่อไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรให้คิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเดี๋ยวก็ต้องมีการพัดพากจากกันไม่เขาไม่ไปเราก็ไปอันนี้ต้องเกิดขึ้นแน่นอนอะให้คิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่เที่ยง เดี๋ยวมันก็ต้องไปถ้าไปอยากให้มันไม่ไปก็จะทุกข์ถ้ายอมยอมให้มันไปก็จะไม่ทุกข์จะยอมก็ต้องเห็นความจริงว่ามันต้องไปห้ามมันไม่ได้ให้คิดอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆของทุกอย่างมันต้องไปห้ามมันไม่ได้มันต้องเปลี่ยนมีเจริญมีเสือ่อมมีขึ้นมีลงมีมามีไป อย่าไปยืดอย่าไปติดอย่าไปอยากให้เขาไม่ไปเนื้อถ้าเขามาแล้วไม่ชอบอยากให้เขาไปเขาไม่ไปก็อย่าไปอยากให้เขาไปเขาอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเป็นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอยากจะให้มันไปมันไม่ไปก็ต้องอยู่กับมันไปอย่าไปอยากปล่อยทุกอย่างปล่อยวางทุกอย่างให้เขาให้เขาอยู่ให้เขาไปของเขาเองเขามาเองเขาอยู่เองเขาไปเอง อย่าไปยุ่งกับเขาแล้วเราจะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราชอบไปยุ่งกับเขาของที่เราชอบก็อยากจะให้มาไม่มาก็ทุกข์พอมาแล้วไม่อยากให้ไปพอไปก็ทุกข์อีกนี้คือความอยากต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆเราต้องคอยคิดเตือนใจว่าของทุกอย่างต้องมีมาก็ต้องมีไปมาแล้วมาแล้วบางทีก็ไม่ไปอยู่อะ เขาอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเมื่อถึงเวลาเขาไปเขาไปเองเพื่อเราจะได้ปล่อยวางทุกอย่างเวลาร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ปล่อยมันเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันไปถ้าอยากแล้วมันจะทุกข์ถ้าไม่อยากแล้วจะไม่ทุกข์อยู่กับมันได้มันจะเจ็บอย่างไรเราก็ไม่เป็นเราก็จะไม่ทุกข์วิธีที่จะหยุดก็คือพุทโธพุทโธไป เวลามันเจ็บแล้วอย่าไปคิดถึงความเจ็บให้คิดอยู่กับพุโทโธพุทโธไปบริกรมรมพุโทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวใจก็จะปล่อยปล่อยแล้วก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บความเจ็บนี้ไม่ไร้ายกาเท่ากับความทุกข์ความทุกข์ใจนี่มันรุนแรงกว่าความเจ็บของทางร่างกายถ้าใจไม่มีความทุกข์ใจแล้วก็จะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้ ใจจะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้ใจต้องไม่คิดไม่อยากให้ความเจ็บหายไปวิธีที่แม่มันหายไปก็คือเราต้องพุทโธพุทโธไปท่องพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเนี่ยแล้วมันก็จะไม่ไปอยากให้ความเจ็บหายไปพอไม่ได้มีความอยากให้ความเจ็บหายไปความทุกข์ใจก็ไม่มีใจก็เย็นสบาย อยู่กับความเจ็บได้อย่างไม่เดือดร้อนเพราะความเจ็บนี้มันน้ำหนักน้อยกว่าความเจ็บของทางใจที่ทนไม่ได้มันทนไม่ได้เพราะความทุกข์ใจไม่ใช่ทนไม่ได้กับความเจ็บของร่างกายถ้ายอมทนกับความเจ็บของร่างกายไม่มีความอยากให้มันหายแล้วใจจะไม่ทุกข์ใจจะสงบใจจะเย็นจะสบาย จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายอยู่กับมันได้ให้ดูมันให้สักแต่ว่ารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เหมือนกับฝนฟ้าอากาศดินน้ำลมไฟเขาเป็นอย่างไรก็ปล่อยเขาเป็นไปถ้าเราจะไม่ทุกข์กับเขาแต่ถ้าเราไปอยากเราก็จะต้องทุกข์การที่จะทำให้เราไม่อยากเราต้องสอนใจอยู่เรื่อยว่าของทุกอย่าง เขาเป็นธรรมชาติไม่เขาไม่ได้เป็นของใครไม่มีใครไปห้ามไปสั่งเขาได้เขาจะมาก็มาเขาจะอยู่ก็อยู่เขาจะไปก็ไปเขาจะขึ้นก็ขึ้นเขาจะลงก็ลงอย่าไปยึดไปติดกับเขาปล่อยเขาขึ้นปล่อยเขาลงปล่อยเขาอยู่ปล่อยเขามาปล่อยเขาไปอท่านี้ใจเราก็สบายอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ อันนี้คือการปฏิบัติก้นต้นก็ควบคุมความคิดหยุดความคิดเมื่อหยุดได้แล้วขั้นต่อไปก็ดึงมาคิดไปในทางที่ถูกที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของธรรมชาติ เราไปสั่งธรรมชาติไม่ได้ห้ามธรรมชาติไม่ได้ห้ามไม่ให้ฝนตกไม่ได้สั่งให้ฝนตกไม่ได้ฝนมันจะตกมันก็ตกมันไม่มันไม่ตกไปสั่งมันมันก็ไม่ตกฝนมันตกไปห้ามให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดฉันใดร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นก็เหมือนกันข้าวของเงินทองก็เหมือนกันไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้ถึงเวลามันจะไปมันไป กลับไปบ้านเดี๋ยวตอนนี้ขามยจะขึ้นบ้านขนของไปหมดแล้วก็ได้จะทำไงถ้ากลับไปบ้านระเบิดบ้านไฟไหมไปถึงบ้านไม่มีเหลืออยู่แล้วจะทำไงทำไงได้ก็ต้องทำใจทำใจยอมว่ า, อาของมันมีมามันก็ต้องมีไปมีเกิดก็ต้องมีดับถ้าคอยเตือนใจสอนใจอย่างนี้เรื่อยๆพะมัน เกิดเหตุการณ์ขึ้นมามันก็จะได้ร้องอ๋อมันเป็นอย่างนี้ เ, เราไปทำอะไรมันไม่ได้เราไปร้องไห้ฟู้งไฟก็ไม่ได้ทาอะไรไม่ได้เปเปลี่ยนแปลงอะไรเราไปเครียดเราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรของมันก็ยังต้องเป็นอย่างนี้ของมันอยู่มันก็ต้องมาแล้วก็ต้องไปนึกมาแล้วก็อยู่ยังไม่ไปก็อยู่ไปพอถึงเวลามันจะไปมันก็ไปเอง แต่เราไปสั่งไปไล่มันไม่ได้ไปอยากให้มันไปไม่ได้อยากว่ามันทุกข์นี่คือการคิดหลังจากที่เราหยุดความคิดได้แล้วควบคุมความคิดได้แล้วขั้นต่อไปก็หนึ่งมาคิดในทางที่ถูกคิดตามความเป็นจริงล้วใจเราจะได้ไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆแต่เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติเราจะไปอยากได้อย่างไร อย่างมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงธรรมชาติได้เช่นพระอาทิตย์นี่เราไปสั่งให้มันหยุดได้ไหมสั่งให้มันไม่ตกได้ไหมสั่งให้มันอยู่เหนือศรีศรษะเราทั้งวันได้เปล่ามันก็ไหลไปมันก็เวียนไปตามเวลาของมันเคลื่อนไปตามเรื่องของมันทําไมเราไม่ไปทุกกับการเกิดการดับของดวงอาทิตย์อ่ะ เวลาอาทิตย์ขึ้นมาเราก็ไม่ตกใจเวลาอาทิตย์ตกเราก็ไม่เสียใจเพราะเราปล่อยเขาเราไม่ไปยุ่งกับเขานั่นเองถ้าเราไปยุ่งเขาแล้วมันเราจะเราจะวุ่นคนก็เหมือนกันคนที่เราไม่รู้จักเราไม่ค่อยไปยุ่งเราไม่ค่อยไปวุ่นกไปวุ่นกับคนที่เรารู้จักวุ่นกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราพอใครอยู่ใกล้ตัวเราเราก็อยากจะไปจัดการกับเขาแล้วสิ อยากจะไปสั่งให้เขาทำอย่างนั้นทำนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่าง น, น, น, างนี้พอเขาไม่เป็นกขาเสียใจวุ่นวายใจขึ้นม่เห็นต้องพยายามมองทุกอย่างว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีใครไม่มีใครเป็นของใครมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ แล้วใจจะสบายจะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่กับราบได้ราบก็คือเงินทองเงินทองก็มีมามีไปเวลามาก็ดีเวลาไปก็ต้องดีถ้าไม่ยอมไม่มันไปมันก็มีไปทำไมมีก็เพื่อให้มันไปไม่ใช่มีเงินมาก็เพื่อเอาไปซื้อข้าวซื้อของมันก็ต้องไป เห็นแต่ว่าให้มันมีพอใช้อย่าไปปล่อยให้มันไปมากเกินไปอันไหนยังคุมได้ก็คุมไปเงนินทองพอจะคุมไม่ได้ก็คุมไปแต่ถ้ามันเกิดหายไปจริงๆถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องหาใหม่รือใช้ให้น้อยๆเก็บเงินไว้หลายๆที่อย่าไปเก็บไว้ที่เดียวฝากไว้ในหลายธนาคาร แบ่งไว้เป็นอย่างอื่นบ้างไปซื้อที่ดินบ้างไปซื้อตึกบ้างไปทำธุระบ้างเปิดร้านบ้างอะไรบ้างให้มันกระจายไปมันจะได้ไม่ไปทีเดียวพร้อมกั น, นเพราะเรายังต้องอาศัยมันอยู่แต่ถ้าเราใช้น้อยเราก็ไม่ต้องหามากถ้าใช้มากก็ต้องหามากหามากก็วุ่นมากเหนื่อยมาก ดัน้พยายามใช้ให้น้อยๆอย่าไปใช้ให้มากใช้เท่าที่จําเป็นถ้าไม่ใช้ได้เลยยิ่งดีอย่างพวกที่มาบวชนี่ก็ไม่ต้องใช้กันไม่ใช้ก็ไม่ต้องเครียดกับการหาเงินไม่ต้องเครียดกับการสูญเสียเงินทองไปไม่ต้องใช้เงินอยู่สบายกว่ามีเงินใช้มีเงินใช้ก็ต้องคอยหา ใช้ก็หมดหมดก็ต้องหาใหม่หาไม่ได้ก็เครียดได้มากกว่าที่หาได้ก็เครียดเห็นถ้าไม่ไม่ใช้เงินทองได้สบายไม่มียศได้ก็สบายถ้ามียศก็อยากจะให้มันขึ้นเพรไม่ขึ้นก็เครียดพอเวลาถูกปลดมันก็เครียด ทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะไปยุ่งกับมันอย่าไปมีมันดีกว่าอยู่แบบไม่มีลาบยศสรรเสริญอยู่แบบไม่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายดีกว่าอยู่แบบไหนถึงจะอยู่แบบไม่มีลาบยศสรรเสริญสุขได้ ก็ต้องอยู่แบบมีความสงบถ้าเราทำใจให้สงบได้กบคุมความอยากได้เราก็ไม่ต้องมีราบยศสารเสริญไม่ต้องมีความสุขทางตาหูจมกูกเล่นกายเราก็ไม่ต้องมีร่างกายเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายซ้ <S <S ำแล้วซ้าอีกเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่รู้กี่ล้านครั้งแนละ เพราะเรายังอยากจะมีความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายกันอยู่เราก็เลยต้องมีตาหูจมกูกลิ้นกายมีร่างกายพอร่างกายอันนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่กเกิดแล้วก็มาทำแบบนี้ใหม่มาเลี้ยงตัวเองมาให้พ่อแม่เลี้ยงดูโตแล้วก็ต้องหาเงินหาทองหาอะไรมาเลี้ยงร่างกายแล้วเพื่อที่จะไดเอาร่างกายไป อ่าเจ็บรูกเสียงกลิ่นลดแล้วเดี๋ยวน่างกายก็แก่เจ็บตายไปแล้ว ก, กลับมาเกิดใหม่อีกวนอยู่อย่างเงี้ยทำอยู่อย่างงี้มาทุกกรรมมาทุกทุกภพทุกชาติเนี่ยพราะมันไม่ได้สุขตลอดเวลาเวลาเสียลูกเสียงกลิ่นลดไปก็ร้องห่มร้องไห้กันเวลาเสียแฟนไปก็ร้องห่มร้องไห้กัน ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับเรื่องราบยศสรรเส ร, ริญเรื่องของความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเราก็ต้องมาอยู่แบบไม่มีลาบยศสรรเสริญอยู่แบบไม่มีรูปเสียงกลิ่นนิดวิธีที่จะอยู่แบบนี้ได้ก็ต้องมาฝึกจิตมาฝึกสติสร้างพุทโธพุทโธขึ้นมาหยุดความคิดหยุดความอยากพอใจสงบแล้วใจก็มีความสุข ก็ไม่ต้องมีราบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นนสดอยู่แบบนี้สบายกว่าเพราเราสามารถที่จะสร้างความสงบได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีราบยศสรรเสริญไม่ต้องมีร่างกายขอให้มีสติเท่านั้นเองขอให้มีพุทโธเท่านั้นเองพุทโธพุทโธไป หยุดความคิดได้ใจก็เบาสบายมีความสุขแล้วแล้วถ้ามีปัญญามีธรรมะของพระเจ้ามาสอนใจให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์อย่าไปอยากได้อย่าไปอยากมีอย่าไปอยากเป็นให้อยู่กับความสงบพอมันก็จะเลิอกอยากได้อยากมีอยากเป็นพอไม่มีความอยากในใจแล้วก็ สบายไปตลอดที่เราทุกข์กันก็ทุกข์เพราะความอยากนี่แหละพอเกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็หงุดหงิดลาคาญใจแล้วเศร้าวสร้อยงอยเหงาว่าเหวขึ้นมาต้องหาอะไรมาดับความหงุดหงิดลาคาญใจหามาได้เท่าไหร่มันก็ไม่หมดเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่เพราะมันไม่ใช่วิธีดับ วิธีดับก็คือต้องหยุดความอยากถ้าไม่มีความอยากแล้วความหมุดกงิดรำคาญใจความเศร้าซอยองอแเหงาความวะาเวเความวุ่นวายใจต่างๆจะหายไปหมดใจจะเย็นใจจะสบายนี่คือเรื่องของการปฏิบัติปฏิบัติสติสมาธิปัญญาพุทโธพุทโธไปแล้วจิตก็จะสงบเป็นสมาธิ แล้วต่อไปพอมีมีสมาธิแล้วก็สอนใจว่าอย่าไปยุ่งกับอะไรให้อยู่กับสมาธิดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าอย่าไปอยากได้ลาบยศสรรเสริญอย่าไปอยากได้ความสุขทางต า, งาหูจมูกนิ้นกายเพราะได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องเสีย อ, อกเสียใจเพราะสิ่งที่ได้มามันเป็นของไม่ถาวรเป็นของชั่วคราว ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปอันนี้เป็นปัญญาสอนใจเพื่อให้หยุดความอยากถอนความอยากต่างๆให้หมดไปอย่าไปอยากกับอะไรให้อยู่กับความสงบก็พอนี่คือเรื่องของการปฏิบัติที่จะต้องทาอย่างต่อเ น, นื่องไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าอยากจะได้ความสงบถ้าไม่ทาปั๊บ ความคิดความอยากมันก็จะไหลออกมาเป็นเหมือนน้ำก๊อกเลยเราต้องคอยปิดก๊อกถ้าปิดก๊อกน้ำก๊อกก็ไหลไม่ได้ถ้าเปิดก๊อกปั๊บนี่มันไหลพรวดออกมาพอไม่มีสติมันก็ไหลออกมาเลยความคิดความอยากต่างๆแล้วก็ความหุดหงิดความลำคางใจความวุ่นวายใจความเศร้าส้อยงอยเงาความว้าเหวความอิดนาละอาใจความเบื่อหน่าย อะไรทั้งหลายแหละมันจะโผล่ออกมาสร้างความเครียดให้กับใจสร้างความไม่สบายใจให้กับใจแต่ถ้ามีพุโทโธพุโทโธไปนี่มันหยุดเหมือนปิดก๊อกน้ำเราต้องพยายามปิดก๊อกน้ำอย่าให้มันอย่าให้มันเปิดมันชอบเปิดกกอกตัวนี้มันชอบเปิดเองพอไม่ปิดแป๊บเพ้ะแป๊บเดียวมันเปิดอีกแล ความคิดใหม่แล้วความอยากหมาอีกแล้วเอเห็นต้องใช้พุโทโธอยู่เรื่อยๆเลยใช้เฝ้าดูการกระทําของร่างกายอยู่เรื่อยๆอย่าส่งใจไปกับความคิดต่างๆแล้วพอไม่คิดใจก็เบาสบายเย็นมีความสุขไม่วุ่นวาย คําถามเข้ามาอย่างไรครับอ า, า, าจารย์มีเข้ามากี่คนแล้วตอนนี้สามร้อยคนครับเมื่อวานนี้เข้าถึงหนึ่งสี่แสนกว่านะเมื่อวานตอนถ่ายเข้สดสี่ร้อยกว่าครับนี่ใครอยากจะถามอะไรไหมะจะให้ถามเรื่อยๆไหม ค, ร, มคมมรับอาจารย์ต้อมีคําถามอถามมาเรื่อยๆงงๆอม่าพูดอะไรนะคําถามจะคุณมีสัก เชิญเลยครับเชิญครับการัตกรรพระอาจารย์ท่องพุทโธพุทโธนี้เป็นไม่ต้องกําหนดลมหายใจใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ตลอดเวลาไม่ต้องไปสนใจลมหายใจนอกจากเวลานั่งสมาธิจะจะท่องพุทโธอย่างเดียวก็ได้หรือจะเปลี่ยนมาดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้หรือจะปนกันก็ได้แล้วแต่ แต่ไม่จำเป็นจะต้องปนกันพุโทโธอย่างเดียวก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้เทนเวลาถ้าเราทาเรานั่งเฉยๆดูลมมันก็จะง่ายบางทีเราเราเราเหนื่อยกับพุโทโธแล้วก็นั่งเฉยๆดูลมไปแต่ถ้าเราทำอะไรอยู่ถ้าเราไม่อยากจะท่องพุทโธเราก็ดูว่าเรากาลังทำอะไรอยู่กำลังแปรงฟันก็ดูการแปรงฟันไปกำลังล้างหน้าก็ล้างหน้าไป อย่าให้มันไปคิดึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันคิดก็ใช้พุทโธดึงกลับมาก็ได้ก็เป้าหมายก็คืออย่าให้มันคิดถ้ามันไม่คิดแล้วมันก็จะไม่อยากพอไม่อยากแล้วมันก็จะไม่ไม่วุ่นวายแต่พอมันอยากแล้วมันก็จะวุ่นวายใจขึ้นมาต้องหยุดความคิดด้วยสติจะใช้พุทโธก็ได้ จะใช้การเฝ้าดูการทํางานของร่างกายก็ได้ออืถ้านั่งก็ดูลมหายใจไปก็ได้หรือจะ ผ, ผสมสองอย่างก็ได้พูดเข้าโทรออกก็ได้อันนี้แล้วแต่ความถนัดทําอย่างไรที่ทําให้มันไม่คิดได้ก็ใช้ได้วิธีไหนก็ได้เออ่ามีคําถามเข้ามาแล้วใช่ไหมดีครับถามได้เลย คำถามจากคุณมีศักนะครับจาก Facebook Live นะครับคารว่าถือศีลอุโบสถตลอดชีวิตอยากมุ่งสู่หนทางนิพานมิทราบว่าพอมีหนทางได้หรือไม่ครับก็มีก็การถือศีลอุโบสถหรือศีลแปดนี่ก็เพื่อที่จะทำให้เราตัดการหาความสุขทางร่างกายไปเราจะได้มีเวลามาฝึกสติมาพุโทโธกัน ถ้าเราไปหาความสุขทางร่างกายทางลาบยศสรรเสริญเราก็จะไม่มีเวลามาพูดโทรเราก็จะคิดว่าจะหาเงินดางไหนดีหาอะไรดีไปเที่ยวที่ไหนดีไปกินที่ไหนดีไปดื่มที่ไหนดีมันก็จะไม่มีเวลามาหยุดความคิดเหล่านี้แต่ถ้าถือศีลแปดศีลอุโบสถมันก็ไปเที่ยวไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้มันก็มีเวลามาคอยควบคุมใจังนนขั้นเริ่มตน้นต้อง ต้องรักษาศีแปดให้ได้ก่อนถ้ารักษาศีแปดได้เราก็จะมีเวลามาปฏิบัติถ้าเราไม่มีศีแปดเราไม่มีเวลาถ้าเสียสีแปดมันไปเที่ยวไม่ได้ไปกินเลี้ยงไม่ได้ไปดูหนังฟังเพลงไม่ได้ไปนอนกับแฟนไม่ได้มันก็มีเวลามาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาพุโทโธพุโทโธนั่งสมาธิ เพรพูดที่จะปฏิบัติต้องรักษาศินแปดให้ได้พอรักษาศินแปดได้แต่ศินแปดอย่างเดียวก็ไปไม่ถึงนิพพานได้สินแปดแล้วก็ต้องมาฝึกสติมาพุโทโธพุโทโธกันไม่หยุดความคิดกันพอหยุดความคิดได้ก็จะได้สมาธิสมาธิก็ยังไปไม่ถึงนิพพานจะให้ไปถึงนิพพานต้องไปถึงขั้นปัญญาต้องสอนใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรา ทุกอย่างเป็นทุกข์อย่าไปยุ่งอย่าไปอยากกับมันอย่าไปอยากได้มันอย่าไปอยากมีอย่าไปอยากเป็นพอไม่มีความอยากเหล่านี้แล้วมันก็จะถึงนิพพานได้เนี่ยมันเป็นขั้นขั้นขั้นศีลสมาธิปัญญาสามขั้นขั้นต้นก็นมารักษาศีลแปดให้ได้ก่อนศีลแปดยังไม่ได้ก็เอาศีลห้าก่อนพอได้ศีลห้าแล้วก็ขยับขึ้นศีลแปด สิบแปดก็ทําวันที่เราไม่ต้องไปทํางานวันหยุดงานเราจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมได้อพอเราปฏิบัติวันหนึ่งได้เราก็อาทิตย์ละวันต่อไปอาจจะเพิ่มเป็นอาทิตย์ละสองวันสามวันไปถ้าปฏิบัติแล้วมันได้ผลดีมีความสุขมากขึ้นมันก็อยากจะปฏิบัติของมันไปเองไม่ต้องมีใครมาสั่งมันรู้เองว่าอ๋อปฏิบัติแล้วมันดีอย่างนี้อมันก็อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นแต่เรื่อย เดี๋ยวต่อไปก็ไปอยู่วัดครั้งละเจ็ดวันบ้างสิบวันบ้างเดือนหนึ่งบ้างพรรษาหนึ่งบ้างมันก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ไปอยู่วัดตลอดเนี่ยไปเป็นภาาเป็นชีกันสบายไม่ต้องหาเงินไม่ต้องหาลาบยศสละแสญไม่ต้องหาคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราเรามีความสุขจากการทาใจให้สงบดีกว่า ไม่มีวันผิดหวังไม่มีวันเสีย อ, อกเสียใจถ้าไปหาลาบยศสรรเสริญหาคนนั้นคนนี้เดียวเวลาเขาจากเราไปเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจร้องหยร้องไห้คำถามจากทาง u t u b e นะครับจากคุณโทนี่โรมิโอนะครับฮัลโหลอาจารย์ I have been having trouble letting go of the past how can I let it go What do you suggest? Thank you. You have to pull your mind from thinking about the past. Like you can use a mantra, butto butto. Keep reciting butto butto. Every time you think you want to think about the past, don't don't let it think. Just keep re reciting butto butto butto. Or you can use chanting if you want to chant. Just keep chanting. Do something to prevent your mind from thinking about the past. Yeah. Just keep thinking. Just keep reciting puto puto puto. Or uh, Keep chanting. Or yeah. uh, if you want to use knowledge, or uh, wisdom, then you have to teach your mind that the past is already gone. Yeah. The past is like a dream. Yeah. You can never go back to the past. Yeah. You are always in the present. Neither the past nor the future is real, because the past already passed away, the future hasn't come yet. All you have is the present, but your mind, your defilements, your craving keep uh, deceiving you to think that by thinking about the past will make you feel good, yeah. but in fact it make you feel bad because you cannot go back to the good feeling of the past. Yeah. So it's better just to stop thinking. The way to stop thinking is you have to recite a mantra like buto buto buto, or you can chant some some verses if you can remember them. Keep chanting until you forget. Keep chanting until you stop thinking about the past. And when you, whenever you start to think about the past, keep chanting again. Keep reciting again. Then eventually your mind will stop going back to the past, and it will stay in the present. Same thing with the future. If you worry about the future, stop thinking, stop worrying by chanting, by reciting "butto butto butto." Bring your mind back to the present, here and now. The present is the safest place for the mind to be, because there is nothing you know, in the present. You know, Is this what uh, is he from uh, Las Vegas? Yes. Tony. Okay. Are you listening, Tony? If you are, uh, send send a reply. ค h uh, า c า u p l ม sent it. Ah. ค s k the q u อ s <coughs> t i o n Ask t h ร q อ e s t i o n The question i มันจะเห็นว่ามีผู้รู้ดูอยู่ซึ่งเห็นชัดมากกว่าอย่างอื่นค่ะแล้วก็กลับมาที่ฐานจิตรู้สึกเฉยเฉยมันเหมือนกับหยุดไปค่ะทำอย่างไรต่อไปก็หยุดไปเรื่อยหยุดทัวเราะหยุดร้องไห้ให้ทำใจเฉยเฉยให้รู้เฉยเฉยเห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้อย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจอย่าไปรักไปชังกับสิ่งที่เรารู้ เพราะถ้าไปรักเดี๋ยวเวลามันหมดไปก็เสียดายถ้าไปชังเวลามันโผล่ขึ้นมาก็อึดอัดลำคาญแต่ถ้าเราเฉยๆเราก็จะรับรู้เรื่องราวต่างๆได้อย่างมีความสบายอย่างสบายใจใครด่าเราก็รับรู้เฉยๆอย่าไปชังใครชมเราก็อย่าไปรักเพราะเดี๋ยวถ้าเขาชมเราแล้ว เ, เดี๋ยววันไหนก็ไม่ชมเราก็จ ะ, ะเสียใจ ถ้าก็ด่าเราเราก็จะเสียใจเห็นเราต้องหัดทำใจให้รู้เฉยๆเนี่ยอย่าไปรักไปชังถ้ามันไม่เฉยก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็เฉยพุโทโธเนี่ยเป็นตัวที่จะดึงใจให้เฉยให้นิ่งให้สงบคำถามจากคุณตัวนะครับการเจริญภาวนากับการกำหนดพุดโทโธ นี่คือเรื่องเดียวกันใช่หรือไม่ครับคือลูกยังไม่ค่อยเข้าใจคําว่าเจริญภาวนาคือการภาวนานี้เป็นคํารวมแปลว่าการพัฒนาจิตใจมีอยู่สองขั้นขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาทําใจให้สงบขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสนาภาวนาทําใจให้ฉลาดขั้นที่หนึ่งก็ทําให้สงบ ก, ก็ใช้พุโทโธเนี่ยหยุดมันเรียกว่าเป็นการเจริญสติ การจเจริญสติก็จะทําใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็กําลังจเจริญสมถะภาวนาไปแล้วขั้นที่สองก็สอนให้ใจคิดไปในทางตามความเป็นจริงคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวข้องกับเขาอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากมีให้ปล่อยวางทุกอย่างแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กับเขานี่คือวิปัสสนา ถ้าเราเข้าถึงขาง้นวิปัสสนาเราก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้พอหยุดความอยากต่างๆได้แล้วต่อไปคิดยังไงมันก็ไม่ได้คิดไปในทางความอยากมันจะคิดไปในทางความไม่อยากคิดทีไรเมื่อจะเห็นว่าเป็นทุกข์คิดถึงเรื่องอะไรก็จะว่าเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรามันก็จะไม่อยากได้อะไรตอนนี้ก็ต่อบมาหรืนเ่าเขาฟังยังครับยงฮ ไม่รู้ก็ฟังก็แบบเอกี้แล้วก็อาจจะฟังทีหลังเมื่อวานนี้อับลดเขาเมื่อวานนี้เพิ่ไปยังยังยังยังไม่หมดเพรามันใหญ่มากเดี๋ยวต้องแปลงไฟส่วนกลาเพราะมันต้งแปดทิศอ๋อตอนนี้ใช้ได้เลยใช่ไหมได้ครับ YouTube ตอนนี้กาลังสดอยู่แล้วเขาของเขามาเขาดูทาง YouTube เหรอทางในตอนนี้ยังไม่มาครับมีกี่คนนะ YouTube วนนี้อ๋อ YouTube วันนี้น้อยครับกระเมื่อกี้มีสิบคนสิ็จคนนะครับนี่ ยูทูบมันจะดูย้อนหลังได้ครับอาจามันเยอะย้อนหลังนะครับ่าคําถามจากคุณแคสนะครับจิตเสื่อมคืออะไรคะก็เสื่อมจากสมาธิอันก็จิตเสื่อมเคยสงบแล้วไม่ไม่สงบก็เรียกว่าจิตเสื่อมถ้าอยากจะให้มันเจริญคก็พุทโธขึ้นมาใหม่นะพอเราพุทโธพุทโธเดี๋ยวมันก็เจริญมันก็จามไม่เสื่อม แต่ถ้าเราเผลอเราหยุดพุดโทโธเดี๋ยวมันก็เสื่อมนี่ยเราต้องรักษามันด้วยสติด้วยพุโทโธคำถามจากคุณออยนะครับสุนัขที่บ้านป่วยรู้สึกสงสารดูแล้วเขาคงเจ็บปวดถ้าจะปล่อยให้เขาสิ้นลมไปเองกับแบบฉีดยายให้เขาสิ้นเลย <c oughs> จะได้ไม่ทรมาน ก, กายเขาจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวหรือไม่เจ้าคะมันไม่ท มันทรมานกายเขาหรือทรมานใจเรา<ม><ม>เราทนดูไม่ไหวใช่ไหมก็เลยฆ่าเขาซะเลยเมันปล่อยเขาเป็นเขาตายของเขาไปเถอะเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยคิดถึงว่าในโลกนี้ตอนนี้มีคนเป็นอย่างนี้ต้องเยอะแยะตามโรงพยาบาลต่างๆเพียงแต่เราไม่เห็นเราก็เลยไม่รู้สึกอะไรถ้าเราต้องไปโรงพยาบาลทั้งทุกวันเนี้เราก็เยอยากจะฆ่าคนในโรงพยาบาลทั้งหมดนะพอเห็นเขาทรมานไม่อยากจะให้ก็อยู่ ไปก็อยู่ไปทําธรรมชาติเถอะเขาจะตายเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็ตายเองเราอย่าไปทําอะไรเขาเลยผิดมันบาปเราไม่รู้เขาอยากจะตายเหมือนเราอยากให้เขาตายหรือเปล่าบางทีเขายังอยากจะอยู่ก็ได้บางทีเขายังคิดว่าอยากจะมีโอกาสหายได้แล้วเราก็ไปฆ่าเขาเสียเพราะเราคิดว่าเขาจะไม่หายนั้นไม่อยากไปคิดอย่างนั้นปล่อยให้เป็นเรื่องไปตามธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตาย ถึงเวลามันตายมันตายเองเราไม่ต้องไปทำอะไรแล้วคนบางคนนี่เขาเวลาเจ็บก็ไม่ทรมานก็มีเขาพุทโธพุทโธได้เขาจะไม่ทรมานเลยถ้าพุทโธพุทโธไปจิตนันก็จะไม่มีความอยากให้ร่างกายมันหายพอไม่มีความอยากให้หายมันหายไม่หายมันก็ไม่เดือดร้อนที่เดือดร้อนเพราะอยากให้มันหายแล้วมันไม่หายก็เลยอยากจะฆ่ามันแทนเนี่ยกลับกลายเป็นร้ายกาจกว่าเดิม เขาไม่หายก็เลยฆ่าเขาเลยหรือตัวเองก็เหมือนกันระวังไม่ต่อไปอาจจะฆ่าตัวตายเองเนี่ยถ้าคิดฆ่าคนอื่นได้ต่อไปก็จะคิดฆ่าตัวตายเองเดี๋ยวต่อไปตัวเองเจ็บรักษาไม่หายก็อยากจะฆ่าตัวตายถ้าฆ่าตัวตายมันก็จะติดเป็นนิสัยไปกลับมาเกิดกี่ชาติพอเจอความเจ็บอย่างนี้รักษาไม่ได้ก็จะฆ่าตัวตายไปเรื่อยๆก็จะไม่มีวันไปพน้นนิพพานได้ไม่มีวันหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ วิธีที่จะหลุดพ้นต้องปล่อยวางร่างกายอย่าไปสนใจอย่าไปพึ่งมันอย่าไปอาศัยมันด้วยการมาฝึกพุโทโธพุโทโธทำใจให้สงบแล้วเรามีความสุขจากความสงบแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บเราก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ได้อาศัยมันไม่ใช้มันเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ต้องไปฆ่ามันคาถามข้อต่อไป แต่คุณมีแต่วันนี้นะครับซื้อนังสือสติปัฏฐานสี่มาสิบห้าปีแต่อ่านไปได้แค่สิบหน้า <S <S 1> <S 1> ถ้าจะปฏิบัติกรรมฐานตามนังสือนี้จะสามารถเปลี่ยนกรรมฐานได้ด้วยตัวเองไหมครับได้ถ้าเราอ่านแล้วเราเข้าใจเพราะมันเป็นเหมือนกับ อ, อคู่มือขับรถอย่างนี้ ถ้าเราขับรถไม่เป็นเราเปิดหนังสือมาเปิดดูเขาเนี่ยสอนวิธีขับรถขับยังไงแล้วเราสามารถทําตามที่เขาสอนได้แเรวก็ขับได้มันเป็นคู่มือสติปัฏฐานสี่นี้เป็นคู่มือของการเจริญวิปัสสนาเจริญสมถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเจริญสติเน้นถ้าใครอ่านแล้วเข้าใจก็สามารถปฏิบัติได้เลยคําถามจะคุณก ร, รวี เมื่อเช้าหนูทำสมาธิท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธใจรวมแต่หนูเห็นเหมือนอุโมงค์เล็กๆปายอุโมงค์เห็นแสงสว่างอยู่ไกลมากๆจิตหนูอยากจะออกไปทางนั้นแต่อีกจิตหนึ่งบอกอย่าไปชักกระเยอะกันอยู่นานเพราะจิตบอกว่าไม่อยากเป็นสมาธิอุปจาระสมาธิและหนูดึงจิตกลับไปได้กลับมาได้หนูก็เลยออกจากสมาธิ หนูอยากถามว่าแล้วจะทำอย่างไรต่อคะนั่งสมาธิต่อหรือพุโทโธพุโทโธต่อคะเพราะหนูอยากได้สมาธิแบบนี้แล้วหนูกลัวก็ให้พุโทโธไปอย่าไปมองเห็นนะอย่าไปดูอุโมงอย่าไปดูอะไรพอจะไปดูอะไรหนึ่งมันกลับมาที่พุโทโธแสดงว่าเราเผอลอละเราไม่อยู่กับพุโทโธละพอเราไม่อยู่กับพุโทโธเดี๋ยวมันก็คิดวุ่นวายไปหมด ภาวนาแล้วอย่าหยุดพุโทโธจะหยุดก็ต่อเมื่อจิตมันตกหลุมตกบ่อแล้วนิ่งตอนนั้นแหะถึงจะมันก็จะหยุดของมันโดยอัตโนมัติแต่มันจะว่างมันจะไม่มีอะไรให้รู้ให้เห็นเป็นอะไรเหรอสายหลุดดังก็ยัง แอ้หลุดได้ไงอยู่ที่ใช้มันหลุดเององน้ำมันตกไปเลยผ <c oughs> ีผีมันผีมัอนถอย <c oughs> ออกคำถามจากคุณตุ๊กตาไม้นะครับพอดีว่าทะเลาะกับแฟนบ่อยมากแล้วก็กลับไปดีกันเหมือนเดิมตอนนี้เบื่อมากเลยทำอย่างไรจะเลิกได้คะตอนนี้อยากอยู่คนเดียวมาก แต่พอเขามาง้อใจก็อ่อนกลับไปเหมือนเดิมก็ <c oughs> ใช้พุโทโธเสรเวลาเขามาง้องก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปสนใจให้นึกถึงความทุกข์ที่เวลาทะเลาะกันไม่เข็ดเนี่ยมันเจ็บแล้วไม่จำมันก็อย่างนี้ละ่ะคำถามจะคุณการวัตถุมงคลสามารถช่วยเราให้สมปรารถนา หรือป้องกันภัยต่างๆได้หรือเปล่าครับหรือว่าเราควรหยุดเชื่อเรื่องวัตถุมงคลหันมาปฏิบัติรักษาใจแทนอ่านั่นแหละถูกแล้ววัตถุมงคลมันทำอะไรไม่ได้ดอกทำได้ป่านนี้ก็เป็นเศรษฐีกันทุกคนนะได้อยู่กันไปแบบไม่มีวันตายนะมันไม่มันไม่มีอะไรเป็นความเชื่อเฉยๆมันไม่ใช่เป็นความจริงสมัยพระพุทธกาลก็มีภาพรูปหนึ่งก็แกะสลัก รูปของพระพุทธเจ้ามาถวายมาให้พระพุทธเจ้าดูว่าเนี่เขาแก่สลักรูปนี้ไว้เพื่อจะได้เอาไว้บูชาไว้ปกป้องคุ้มครองพระพุทธเจ้าบอกนั่นไม่ใช่เราฮะสิ่งที่สิ่งนั้นไม่สามารถคุ้มครองอะไรเธอได้สิ่งที่จะคุ้มครองเธอก็คือธรรมการปฏิบัติธรรมเพราะเมื่อเธอปฏิบัติธรรมแล้วใจของเธอจะไม่มีอะไรมาทาลายได้ แต่ร่างกายของเธอนี้ไม่ว่าจะเป็นของใครมันต้องตายด้วยกันทุกคนมันจะต้องเจ็บมันจะต้องเจออะไรสักอย่างห้ามมันไม่ได้มันเป็นเรื่องของร่างกายแต่ใจของเธอจะไม่หวั่นไหวใจของเธอจะไม่เดือดร้อนถ้าเธอมีธรรมมีสติมีสมาธิมีปัญญางั้นให้มาสร้างสติสมาธิปัญญาดีกว่าอันนี้แหละเป็นวัตถุมงคลที่แท้จริง คำถามจากคุณกูนวิธีการที่จะเข้าไปถึงความรู้สึกว่าไม่มีสิ่งต่างๆมีลำดับขั้นตอนอย่างไรบ้างคะก็พุโทโธนี่แหละพุโทโธไปทั้งวันแล้วไม่เวลาว่างก็นั่งเฉยๆแล้วก็พุโทโธไปจนกว่ามันจะตกลุมตกบ่าวุบลงไปแล้วมันก็จะไปเจอความว่างความไม่มีอะไรคาถามจากคุณเมรพัส เม um> ื่อเห็นกายไม่ใช่ของเราเห็นโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่าเป็นน่ามีเห็นความเกิดดับของสังขารมากๆเข้าเกิดความรัดทนเบื่อหน่ายในสังสารวัฏจะต้องกำหนดอย่างไรถึงจะสามารถพ้นจากกองทุกนี้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและขณะนั่งสมาธิภาวนาก็หยุดความอยากทุกอย่างแล้วก็ไปอยู่คนเดียวตัดทุกอย่าง ไปอยู่กับความสงบไปอยู่กับความว่างไม่ต้องการอะไรในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่อยากได้ลาบยศสรรเสริญไม่อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกขึ้นกายถ้ายังเห็นว่างแต่ยังอยากพวกนี้อยู่ก็เห็นแบบเห็นไม่จริงเห็นแบบหลอกถ้าเห็นจริงแล้วมันจะทิ้งหมดทิ้งลาบยศสรรเสริญทิ้งรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทิ้งพระราชวัง ทิ้งลาบยศสรรเสริญทิ้งความสุขทางทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วท่านก็ไปอยู่กับความว่างคำถามจากคุณพิเชษจิตผู้รู้ย่อมอยู่ในมหาพุทธในวงเล็บสละการให้ทางกายวาจาใจอุทิศบวชในแดนพุทธศาสนาถูกต้องใช่ไหมครับ ผูรู้ก็ถ้ารู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่น่าจะมีก็ทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์ก็ไปบวชดีกว่าไปอยู่คนเดียวดีกว่าไปอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่แท้จริงที่ถาวรใจเย็นๆยังไม่มีก็นั่งพักก่อนก็ได้ะ ถาเรื่อยๆครับ ม, มีเรื่อยๆครับแต่ว่ามันมันต้องไล่ลาดับใช่ค่ะอย่างเราท่องน้ำพระพุทธกับพุทโธแตกต่างกันอย่างไ ร, รงไม่ต่างหรอกมันก็ป้องกันไม่ให้เราไปคิดถึงขนมนมเนยไม่ให้คิดถึงราบยศสารเสิริงพอมันคิดเรื่องนี้มันก็ไปคิดเรื่องนั้นไม่ได้จะน้ำพระพุท ธ, ธจะสัมมาราหังจะ ทุทางสารานังกาฉามิจะสวดอิติปิโสก็เป็นอุบายอันเดียวกันเป้าหมายก็คือไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอเราไม่คิดมันก็จะไม่มีความอยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็จะอยู่เฉยๆได้แต่ถ้าไม่ไม่ให้มันมีทําอะไรเดียวมันก็คิดถึงเพื่อนลนะคิดถึงอันเดียวก็กดดูลายละมีใครส่งมาหรือยังเดี๋ยวก็ดูแล้วลว่าเออ ถึงเวลาเขาต้องส่งอะไรมาให้เราหรือยังพอไม่ส่งก็เครียดเอง เ, เดี๋ยวทนไม่ได้ก็ต้องส่งไปถามก็เป็นยังไงมันก็เลยวุ่นวายไปกับความคิดของเราเนี่ยนะแต่ถ้าเราพูดโธศพทโทรศัพเราก็ทุกอย่างก็เราก็ปล่อยหมดอยู่กับความว่างได้คำถามจากคุณวรุตทำอย่างไรครับที่จะทำสมาธิได้นา น, าน ก็ทำนี่มันไม่ทำเองเวลาดูหนังไม่ต้องถามเลยดูหนังก็ดูใช่ไหมดูมันก็ดูได้นานจะดูกี่เรื่องก็ดูได้ไม่ต้องมาถามเลยพอจะนั่งสมาธิมาถามว่าทาไงนั่งสมาธิได้นานก็นั่งไปนี่นั่งพุโทโธไปมันก็นั่งได้นานเองอะ่ะมันไม่นั่งพุโทโธเนี่ยนั่งแล้วมันคิดกันคิดปั๊บเดี๋ยวก็ไปคิดถึงวีดีโอเข้ามา <c oughs> ก็เลยไปเปิดวีดีอดูแทนที่ม <c oughs> ันั่งพุโทโธต่อ ก็อย่าไปคิดเลยเนี่ยนั่งแล้วมันต้องอยากคิดให้มันอยู่กับพุโทโธอยู่กับสัมมาะหังอยู่กับนมโมพัททะหรืออะไรแล้วแต่อยู่กับบทสวดมนต์ก็ได้ถ้ามันไม่คิดถึงขนมนมเนยมันก็ไม่ไปหาขนมนมเนยถ้าไม่คิดถึงแฟนมันก็ไม่ไปหาแฟนถ้าไม่ไปคิดถึงที่ท่องเที่ยวมันก็ไม่ไปท่องเที่ยวแต่พอมันคิดปั๊บเนี่ยไปเลยมันอยากเลย เห็นไหมพอเปิดทีวีเห็นก็โฆษณาที่นั่นที่นี้ก็ โ, โหยอดน้ํำลายไหลเลยไหลย้อยออกมาเ น, <c oughs> นี่นเราต้องปิดตาหูจมูกแล้วปิดความคิดอย่าไปรับรู้ทางตาหูจมูกเพราะสมัยนี้มันมีแต่ของมาล่อกิเลสเราทั้งนั้นเน่ะเห็นไหมขับรถไปข้ามถนนนี้ป้ายเต็มไปหมดเลยนะป้ายล่อเราให้ซื้อนูน่นซื้อนี่เ <c oughs> <c oughs> อป้า เสียงก็มีแต่เสียงโฆษณาชวนเชื่อชวนซื้อนู่นซื้อนี่นไปหมดเต็มไปหมดเองต้องไปอยู่คนเดียวไปอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสล้วก็ยังไม่พอต้องหยุดความคิดขนาดไปอยู่คนเดียวในป่ามันยังคิดถึงขนมนมเนยได้คิดถึงอะไรได้ก็ต้องหยุดความคิดถ้าหยุดความคิดแล้วมันก็อยู่ได้สงบสบายมีความสุขมันก็ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุข คำถามจะคุณมนตีจิตรวมยากทําอย่างไรดีครับก็นั่นแหละก็ต้องใช้พุทโธต้องสร้างสติให้มากๆให้ใจนี้ไม่คิดถึงเรื่องอะไรเลยให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวถ้าอยู่กับพุโทโธสักห้านาทีสิบนาทีนี่มันรวมนะทําได้ไหมลองพุโทโธอย่างนี้ห้านาทีไม่ไปคิดอะไรเลยคาําถาคําถามจะคุณสุดสุดธรรมานะครับ ขณะนั่งภาวนาสักพักเหมือนมีแมลงไต่เข้าไปในใบหูจึงเอามือปัดปรากฏว่าไม่มีตัวอะไรคุณทําอย่างไรต่อเจ้าคะให้อยู่กับพุทธโธไออย่าไปสนใจเวลาภาวนาแล้วมีอะไรมามาปรากฏให้เรารับรู้เราอย่าไปสนใจมันเป็นของปลอมทั้งนั้นเป็นมายามาหลอกให้เราเสียสมาธิมาหลอกให้เราหยุดพุทธโธ เะฉันไม่ว่าจะมีอะไรมามีแสงมีอุโมงค์มีอะไรมีมแมลงมีตัวเราพองตัวเราลอยตัวเราเหาะรื่ออะไรมันอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทธโธไปอย่างเดียวบางทีพอพุทธโธแล้วเดี๋ยวก็คันตรงนั้นคันตรงนี้ขึ้นมาบางคนก็น้ำลายจะเต็มปากร้อนปากขึ้นมานมันมีแต่เรื่องมาหลอกให้เราเสียสมาธิกันอย่าไปสนใจอย่าไปรับรู้ให้กลับมาอยู่ที่พุทธโธพุทธโธไป แล้เดียวทุกอย่างมันก็จะหายไปถ้าเราไม่ไปสนใจมันแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปคําถามจะคุณพิเชษจิตตัวผู้รู้คือพุทธใช่ไหมครับปัญญาศีลภาวนาปัญญาสมาธิใช่ไหมครั บ, ญญญญ ค, รบคือคําว่าพุทธานี่เป็นชื่อไงนะชื่อที่แปลว่าผู้รู้ผู้รู้ก็เกิดจิตเนี่ย ตอนนี้เราไม่เห็นผู้รู้กันเราเห็นแต่ผู้คิดถ้านั่งสมาธิจิตสงบผู้คิดก็จะหายไปผู้รู้ก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าการที่อยู่กับผู้รู้นี่ดีกว่าอยู่กับผู้คิดเพราะอยู่กับผู้คิดแล้วมันเกิดความอยากเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาถ้าอยู่กับผู้รู้มันจะรู้เฉยๆมันไม่มีอารมณ์มันไม่มีความอยากมันจะเย็นจะสบาย เราถึงต้องมาฝึกสติเพื่อหยุดผู้คิดเพื่อที่เราจะได้อยู่กับผู้รู้พอเราอยู่กับผู้รู้แล้วเวลาเราเห็นอะไรแล้วก็สักแต่ว่ารู้ได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินใครด่าก็รู้เฉยๆไม่ได้คิดไปกับสิ่งที่เขาดา่าถ้าคิดมันก็จะเกิดความรักความชังขึ้นมาถ้าไม่คิดมันก็จะรู้เฉยๆ เราต้องฝึกจิตให้อยู่กับผู้รู้อย่าไปอยู่กับผู้คิดเวลาใครเขาดา่าก็อย่าไปคิดว่าเขาด่าเราคิดว่าเขาชมเราก็ได้หรือให้รู้เฉยๆว่าอเป็นเสียงมาแล้วเสียงมาก็ระทบกับหูแล้วแล้วก็ผ่านไปแล้วจบไปแล้วแต่เรายังเอามาคิดต่อใช่ไหมเพราะเขาดา่าเรานี่ยว่าเสียอกเสียใจขึ้นมาแต่ถ้าอยู่กับผู้รู้มันก็จะรู้ว่าด่าเสร็จ ก, ก็จบไปแล้วผ่านไปแล้วเกิดปุ๊บก็ดับไปแล้ว ก็ไม่ต้องไปทําอะไรผ่านไปแล้วห้ามมันไม่ได้เขาจะด่าก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะชมก็ห้ามเขาไม่ได้เราปล่อยเขาด่าปล่อยเขาชมไปเราก็รู้เฉยเฉยไปท่านนั่นเองถ้าเรารู้เฉยเฉยแล้วก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไปคิดปั้มมันเราจะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีเราจะดีใจเสียใจขึ้นมาทันทีแล้วเราจะเกิดความอยากขึ้นมาเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาฉะนั้นหัดให้สอนให้ใจอยู่กับผู้รู้ให้รู้เฉยเฉย ด้วยการหม่นจเจริญสติพุโทโธพุโทโธไปมันต้องรู้เฉยเฉยจริงๆไม่ใช่รู้เฉยเฉยแบบที่เราคิดอย่างนี้ไม่ใช่ยังยังรู้เฉยเฉยแบบคิดอยู่มันต้องรู้เฉยเฉแบบไม่คิดเลยมันจะรู้เฉยเฉยแบบไม่คิดได้ต้องมีพุโทโธดึงเข้าไปให้ให้มันถึงเข้าถึงตัวรู้เลยแล้วก็ตัวตัวคิดก็หยุดไปเลยแล้วมันจะรู้ว่ารู้เฉยเฉยเป็นอย่างไรแล้วดีอย่างไรคำถามจากคุณขันติพง์ มีคนบอกว่าใจเป็นผู้รู้ติตเป็นตัวคิดจริงไหมครับก็เป็นเป็นคำใช้ศัพท์เนียเราใช้เวลาคิดเรามักจะเรียกว่าจิตเวลารู้เราก็มักจะเรียกว่าใจแต่มันก็เป็นเป็นตัวเดียวกันแหละเป็นมีสองด้านด้านคิดกับด้านรู้เหมือนร่างกายเราก็มีหลายด้านมีด้านหน้าด้านหลัง ด้านล่างด้านบนอะไรอย่างนี้มันก็อยู่ในตัวเดียวกันนั่นแหละจิตกระจายมันก็อยู่ตัวเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่เราแบ่งแยกมันว่าเวลามันคิดเราก็เรียกว่ามันจิตเวลามันไม่คิดมันหยุดมันรู้เฉยๆก็เรียกว่าใจคําถามจากคุณจินนี่หนูเป็นภูมิแพ้พอเวลานั่งสมาธิจักสั่งนํามูกแทบตลอดเวลาหนูก็ดูอาการไปตามที่มันเป็น แต่มันจะนั่งแบบปกตินั่งนิ่งแบบปกติไม่ได้อย่างนี้ต้องทําอย่างไรต่อไปคะถ้าดูทีวีมันไหลหรือเปล่าถ้าถ้ามันไม่ไหลแล้วเวลานั่งสมาธิไหลก็แสดงว่ามันกิเลสก็อย่าไปสนใจมันปล่อยมันไหลไปล้วก็พุโทโธพุโทโธไปไม่ต้องปล่อยมันไหลไปเดี๋ยวมันก็หยุดเองถ้าเรานั่งดูทีวี แล้วมันไม่ไหลแต่เวลานั่งสมาธิไหลก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสแต่ถ้ามันไหลทั้งสองเวลานั่งสมาธิก็ไหลนั่งดูหนังดูทีวีก็ไหลก็ต้องไปหาหมอให้เขารักษาให้เอายาแก้ภูมิแพ้มากินหรืออะไรก็ว่าไปเพื่อจะได้ให้มันหยุดไหลแต่ถ้ามันหยัดไหลเฉพาะเวลานั่งสมาธิก็แสดงว่ามันเป็นกิเลสมันหลอกเรามันสร้างให้มันหลอกให้เราปล่อยให้มันไหลออกมา เราก็ปล่อยมันไปล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันเราก็พูดโทรพุดโธไปเดี๋ยวมันก็หยุดไหลเองถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันคำถามจากคุณัญญานังนะครับการภาวนาจะช่วยไล่มนดำในตัวเราได้ไหมเจ้าคะมนดำมนแดงมันไม่มีหรอก <laughs> มีแต่โรคโกรธหลงมีกิเลสตัณหาไอ ต, ตัวที่ทำให้จิตใจเรามืดคึมก็เพราะความโลคความโกรธความหลงนี่เอง พอเรากาจัดมันได้ใจก็ใสสวา่างคำถามจะคุณอันิจังทุกขังอนัตตานะครับลูกน้อมเอาคำพุโทโธมาไว้กลางอกถูกไหมคะไม่ต้องไว้ตรงกลางหอกเราอยู่กับพุโทโธนะอยู่แต่คำพุทคาว่านั้นแหละไม่ต้องไปน้อมไปวางไว้ตรงไหนให้ท่องพุโทโธพุโทโธไป อยู่กับคำพุโทโธนั่นแหละไม่ต้องเอาพุโทโธมาตั้งที่ออกหร้อตั้งที่ลมหายใจให้มันพุโทโธพุธโทโธไปเพื่อไม่ให้มันคิดเท่านั้นแหละคําถามจากคุณพียากุลพีชกุลนะครับหนูชอบสวดมนต์ทุกวันแต่หนูเห็นผีและชอบฝันเห็นน้ําควรทําอย่างไรดีคะคือตอนแรก คิดว่าจะหยุดสวดมนต์ดีไหมเพราะว่ากลัวเจอประจําเลยเวลาเห็นผีนี่เห็นอะไรนี่เวลาเป็นเวลานอนนะ่นอะเวลานอนหนับเนอะเวลานอนสวดมนต์ครับอาจารย์สวดาแล้วก็เห็นเหอรอก็อย่าไปสนใจก็สวดไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับสิ่ง <c oughs> ที่เราเห็นให้อยู่กับบทสวดมนต์ไปคาถามจากคุณสิบวัน <c oughs> การนวดให้แม่ เราสามารถเอามาพิจารณาได้ใช่หรือเปล่าคะเพราะจะเจอซี่โครงตอนเราบีบนวดไปคะ่ะได้ถ้าเราก็กำลังกำลังนวดซากศพก็ได้คิดวิ้งกำลังนวดอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรก็ว่าไปออคำถามจะคุณลักดาซื้อล็อตเตอรี่เป็นบาปไหมคะ ถ้าไม่ได้ไปขโมยเงินเข้าบาานซืร์ก็ไม่บาปนะคำถามที่คุณกอ ร, รวีถามต่อคือว่าหนูเคยได้อุปจาระสมาธิค่ะจิตออกไปสัมผัสสิ่งต่างๆในโลกทิพย์แสดงว่าไม่มีสติใช่ไหมค ะ, ะทำอย่างไรถึงจะได้สมาธิแบบอัปปนาคะติดหนูมันชอบออกคะ่ะหรือว่าการฝึกสมาธิยังน้อยอยู่ ฝึ่สติยังน้อยอยู่ต้องให้มันฝึกสติอยู่บ่อยๆแล้วเวลานั่งก็ต้องมีสติกำกับใจอย่าหยุดถ้าปล่อยสติเมื่อไหร่เนี่ยมันไปทันทีถ้าใช้พุโทโธก็ให้พุโทโธไปเรื่อยๆถ้าดูลมก็ดูลมไปเรื่อยๆคาถา ม, ถามจ้าคุณเมลพัทนะครับเมื่อนั่งสมาธิจิตจนถึงความว่าง แล้วดูความว่างและความไม่ว่างสลับกันไปเช่นนี้เรื่อยๆถูกไหมคะก็ยังแสดงว่าไม่ว่างจริงเลยถ้าว่างจริงมันไม่มันไม่มีความไม่ว่างมันไม่สลับกันถ้าจิตมันว่างมันสงบมันเย็นสบายมหัศจรรย์ใจมันจะพบกับความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนในโลกนี้ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ยังไม่ใช่คําถามจากคุณเพนพันธ์นะครับ ถ้าพุโทโธได้ตลอดเวลาทําอะไรต่อคะก็นั่งนั่งพุโทโธไปเดี๋ยวถ้าพุโทโธตบ่ดเวลาเดี๋ยวไม่นานมันก็ตกลุมตกบ่อวุบลงไปคําถามจากคุณเย็นนะครับใส่บาตรทุกเช้าให้แม่ที่เสียชีวิตไปแล้วท่านจะได้รับหรือไม่เคยมาเข้าฝันไม่เคยมาเข้าฝันสักทีครับก็คนที่ตายไปแล้วนี่ก็มีบุญหรือไม่มีบุญ ต่างกันไปคนที่ทำบุญไปเรื่อยๆเวลาตายไปก็มีบุญติดตัวไปก็ไม่ต้องมารอรับบุญของคนอื่นแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ทำบุญเวลาตายไปก็อาจจะต้องมาขอบุญจากคนอื่นนี่เราก็ไม่รู้แน่ถ้าก็ไม่มาติดต่อกับเราถ้าก็ไม่มาถ้าเราไม่ฝันถึงเขานี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้มาเพียงแต่ว่าเราเราไม่ได้คิดถึงเขาทั้งเอง ดันั้นก็ไม่ต้องไปกังวลเรามีหน้าที่ทาบุญส่งไปก็ทาบุญส่งไปส่วนเขาถ้าเขาถ้าเขาขาดเขาก็มารับไปได้ถ้าเขาไม่ขาดเขามีมากกว่าบุญที่เราส่งไปเขาก็ไม่ต้องมารอรับบุญของเราแต่เราจะได้บุญจากการที่เราทำบุญใส่บาตรให้แม่แล้วตายไปเราจะได้ไม่ต้องมาขอบุญจากคนอื่นเั้นใส่ไปมันจะมีประโยชน์กับเรามากกว่ามีประโยชน์กับแม่ คำถามจากคุณปิยดานะครับในวงวัฏวณวัฏวณวัฏวณ น, นะครับ mm hmm. ของปฏิจจสมุปาทที่เป็นเหตุปัจจัยสืบเนื่องกันไปไม่จบสิ้นนั้น mm hmm. การที่เราเห็นว่าสังขารวิญญาณนามลูปอายตนะผัสสะและเวทนาเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีการเกิดดับหากเราฝึกสติกำหนดรู้ และเท่าทันตรงผัสสะและเวทนาและตัดวัฏจักรวงจรวัฏจักรที่ตรงนี้ก็จะไม่ทุกเลยถูกต้องใช่ไหมเจ้าคะเพราะยังไม่เกิดปัญหาและอุ ป, ปาทานตัวตนยังไม่เกิดขึ้นให้ยึดถือหากเราตั้งกรรมฐานพร้อมรับอยู่เช่นนี้เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องใช่ไหมเจ้าคะ ไม่ถูกหมันต้องหยุดความคิดหยุดสังขารความคิดปรุงแต่งถ้าหยุดสังขารมันก็จะหยุดวิญญาณหยุดนามรูปหยุดผัสสะหยุดอะไรทุกอย่างได้ถ้าไม่หยุดสังขารมันก็จะวิ่งออกไปหานามรูปหาหาผัสสะหาเวทนาหาตัณหาพกชาติมันก็จะตามมาฉะนั้นต้องไปหยุดที่สังขารเลยต้องพุทโธพุทโธที่สอนนี้ทั้งหมดก็ให้หยุดสังขารไงสังขารก็คือความคิดปรุงแต่ง พอเราอยู่ความคิดปรุงแต่งได้มันก็ไม่ไปคิดถึงขนมนมเนยมันก็ไม่ไปหานามรูปน้ำรูปก็คือขนมนมเนยเนี่ยหรือรูปเสียงกลิ่นรสราบยศสรรเสริญเนี่ยพอพอไปสัมผัสมันกเกิดเวทนาเกิดสุขขึ้นมามันก็เกิดอุปทานกเกิดตัญหาขึ้นมามันก็เกิดภพเกิดชาติตามมาถึงสอนบอกให้หยุดความคิดนี่แหละถ้าหยุดความคิดแล้วทุกอย่างมันก็จะจบเดี๋ยวถ้า พักสักป๊บหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าครบชั่วโมงแล้วจะให้พรก่อนเผื่อใครอยากจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวใครที่ยังมาที่หลังอยากจะเข้ามาถวายข้าวของก็จะได้เข้ามาได้ขอพักครึ่งเวลายะถ า, าวาเลวาหาปุราปาริปุเรนติสาาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปากา ป, ปติ อิชิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสนิจะตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนะหราโสยธาเมณิจชติหราโสยธาสัพพิติโยวิวาจจันตุ สัพพโรโควินา ส, สตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขาโยโกภวะอาคีวาธนาศิริสานิจงจงวุฒาปจายโนจตารุธรรมาวัฏานติอายุวโนสุขังทารังก็อยากจะได้อะไรก็เข้ามา เอาได้นื้นหนังสือซีดีใครอยากจะกลับบ้านก็กลับได้เดี๋ยวก่อนเดียวกันตอนนี้ขอพักก่อนเียตอนนี้คนก็จะ มันจากที่ไหนกันอยู่ใกล้ๆนี่เองไปตามทางเฟซด้ปะไม่ดูทีวีไม่ดูหนังตามสดด้ปะได้ดูสดบ้างไหมสายทอดสดชัดไหมอันนี้ไม่ขาดนะถ้านตกอะได้ มีโอกาสก็มาใหม่ก็ได้น้องก็ต้องเข้างานคือได้ไปมันจะกู้ถึงสี่ร้อยสี่ร้ยี่สิบกว่าครับอ่าสี่รอยยี่สิกว่าแล้วที่เข้าถึงเป็นแสนนี่มันหมายถึงไงว่ามันมันไปขึ้นในเครื่องเข่าอย่างเงี้ยขึ้นในเครื่องเข่าแล้วก็เขาดูการรับรูสาววินาทีก็ถือว่าดูมาว่ายังไงมาปฏิบัติทำหรือใช่ครับ ไม่รอถามแล้วนะเดี๋ยวไปถามลังอ่ะอ่ะ <laughs> เวลไม่ได้เขาจะกลัาวพียเฉยเล้วันถัไปนะยามมาลาไหนะกลับกลับแล้วเหรออา่อากับผมอ่ากับคุณาธุกถ้าต้องการหนังสือซีดีก็หยิบได้นะ ต้องการต้องสือซีดีก็หยิบมาให้มัอยู่บนขาวไยัง ก็อันนี้เขาก็ตองขมาส่งอ่าอ่าจะมีใครมารับบ่ะพรุ่งนี้มีมารับัาทิตครับเอามาที่อลยใครตุ้มแอบเพื่อเชื่อเต๋อเไม่ใช่คาติวตอไม่ไ้มาแตให้ร้าัมาครนมาเกลับเลยนะกลับเดินมากันนะไม่ยังเรอสามีสามีจะมาเดิาาเนี่ยอ่า ต่อจ น, นี้มีนาอามีเวลามาปฏิบัติธัรนะครับกับเราต้องการเออได้ดีกากาศดีเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะีน้มันรอเดี๋ยวก่อนนเดี๋ยวนี้มันนั่งรอกันนะ นี่ยังไม่สะดวกถ่ายทอดนี่ทีเ่เป็นหนาก็ชัดเลยใช่ไหมชัดแน่มันทั่วโลกอะมันเหมือนกันหมด ถ้าที่ต้นทางดีแล้วปลายทางดีมันก็ชจะถ้าแต่เวลาฝนตกมากๆอะไรแบบนั้นนะะคฝนตกที่นี่ใช่ไหมเวลาฝนที่นี่ตกดังนั้นก็จะรับไม่ค่อยได้เพราะสัญญาณมันก็เจริญครับไม่เจริญมีกับประสาใหญ่ค่ะเขาบอกว่าเขาเข้าไม่ได้ YouTube, อ, อ๋อนี่ u t u b e ถ่ายไม่ได้ถ่ายอทอดสดเลยเสียเข้า่ไดแต่ที่ถ้าเป็นคนทีนน่ผมตกยมก็เลยบอกบอกว่านนนะมีวีดีโช่นนองกทวีดีโอที่มันใช้เศษรูปเมฆมันก็มาได้่เมื่อวานยอยู่ทางาหฟังไม่ได้ฟังวดีโอเพราะสัญญาณอสอมันไม่มีเอาไว้ตรงนี้เลยถ้าเป็นซองเอากระดาษมาไว้ตรงนี้าวางไผ่านอยากได้นังสือก็หยิบเอานะ เอาซีดีนี่นี่นออมน่าซอีดีหยิบได้ มาจากที่ไหนกันนะ ม, มากับอาจารย์เพียงครับอ๋อพระชนม์นาคถิ่นตั้งมาทอนระบบเสียงที่ไหนครับห้องใหญ่และผมเอา ม, มาจากที่ไหนอ่าอ่านี่เดี๋ย ว, วนิี่มลหลวงพ่อท่านมาเลยก็ได้นิี่มลท่านมา ยอยูทาง้านเราสักพักกลมกล่อนะ ทางนี้เลยขึ้นมาบนนี้เลยพระทาบวยนานได้ยังยี 20, 20, ่สิบสี่ยี่สิบสี่อยู่ที่วัดไหนนะวัดของสะอาะะดอำเภอวัดทิศภูมิจังหวัดสกลนคร ทำธุระเลยกระถิ่นเนี่ยไม่ได้มนไม่มนเลยแบบแต่จะทำทำพุ่นอ่าที่วัดมีผ้าเยอะไมเจ็ดลูกครับเจ็นลูกนะเป็นหัวหน้าเลยครับผมอือสมบพันเป็นวัดป่าแล้วเป็นวัดอะไรก็เป็นวัดป่าวัดป่าเนี่ยนะนกชาอ่า เป็นสาขาปะครับเป็นสาขาน้องปอคงจัน้องจันขึ้นไปอยู่ที่ทำพอทองเออเป็นสาขามีอะไรอยากจะถามหรือเปล่าก็แล้วแต่จะโผล่รูปสิ้คงไม่ต้องปวดนะมึงเอามาภาพมาขายสวยเลย พระกับพก็รู้กันอยู่แล้วนก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วเอศีลสมาธิปัญญาก็ปฏิบัติกันอยู่แล้วบวชมานานขนาดนี้แล้วไม่ต้องสอนแล้วนอกจากมีอะไรสงสัยหของใจอะไรก็ถามได้เลยครับเอามาใกล้ๆได้เลยครับเอาหนังสือไปก็ได้นะมีหนังสือซีดีแจกมาใกล้ๆครับ หยิบไปได้หยิบตามสบายเลยเอาไปเฉพาะอ่านกันแล้วกันนะอยาไปแจกเพราะไม่พอปกติก็ได้ดูหลวพ่อผ่านทางยูทูบแล้วก็ไลฟ์วิดีโอค่ะวันนี้ได้มีโอกาส end, ม, มาทำมาทำอะไรแถวนี้เลยก็พาพระอาจารย์ม า, าบ้านอยู่แถวนี้เลย นู่นค่อยู่กรุงเทพกรุงเทพออามีมรดกท่านมาทําบุญใช่ค่ะท่านมาไกลนะอ่าอุษามาโปรดนะเมตตาค่ะอือแล้วที่มีที่พักให้ท่านมีพักเลยว่าท่านที่บ้านมีที่พักสําหรับพักได้สร้างที่พักให้พักได้อ่าดีเราสัจาจารย์ อ่าเพราะบางทีพระจากต่างจังหวัดเข้าเมืองก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนอ่เพราะตามวัดเขาก็จะแน่นเขาไปยังบางทีพญาโยมเขาก็มีบ้านเขาก็อ่สึกมีคุณอะไรนามสกุลนามซ้ําใดก็มีบ้านถวายพระชาวต่างประเทศนุ๊กสายลงหลวงกูชานี่ะ เวลาเข้ามากรุงเทพมาต่อวีซ่ามาทําอะไรทักเขากันไม่ให้นั่งไปพักที่บ้านกันแล้วก็ชวนญาติโยมมาฟังเทศฟังธรรมมาทําบุญกันนา น, นานจะได้มีโอกาสฟังธรรมของพระป่าทำของพระป่านี่ไม่เหมือนการทำของพระบ้านการทำจากการปฏิบัติกับจากการอ่านนี่ไม่เหมือนกันการศึกษาไม่เหมือนกัน ทำจริงกับทำปลอมทำที่ได้จากการศึกษายังไม่เข้าไปถึงใจทำที่เกิดจากการปฏิบัตินี่มันถึงใจมันดับความทุกข์ได้ดับกิเลสได้แต่ทำที่ได้อ่านได้ฟังนี่มันยังดับไม่ได้ยังเข้าไปไม่ถึงใจกิเลสมันขวางไว้ฟังแล้วไม่เอาไปปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้แต่ถ้าฟังแล้วเอาไปปฏิบัติได้มันก็เข้าถึงใจได้ ฟังแล้วก็ไปพุทโธพุทโธไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบเนี่ยมันก็เข้าข้างในได้พอเข้าข้างในได้ก็ใช้ปัญญาฆ่ากิเลสได้เห็นต้องพยายามปฏิบัตินะเอาสติเอาพุทโธเอาสมาธิให้ได้ก่อนปัญญานี่เรามีกันเยอะแยะแล้วฟังกันหูฉีกแล้วแต่ยังเอาไปฆ่ากิเลสไม่ได้เพราะไม่มีกําลังยังเข้าไปไม่ถึงตัวมัน ต้องเข้าไปให้ถึงตัวมันแล้วก็ปัญญาขอุทธเจ้านี้มาฆ้ามันได้เพราะฉนั้นนี้พยายามฝึกสติให้มากๆนั่งสมาธิให้มากๆให้จิตรวมวไม่ได้อถ้าจิตรวมาที่นี่เข้าถึงตัวกิเลสแล้วตอนนั้นก็เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาข้ามันได้เอันนี้จังทุกขังอนัตตาเอาอสุภะนี่มาข้ามันได้นะอ้าห้าสั้นๆแค่นี้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวยอมช่วยจิบหนังสือชุดนึงถวายหลวงพ่อท่านด้วยนะค่ะไเอาสร้าปไม่เอาสองไว้สรงไว้กอนสร้างก่อนไาวนไว้ไว้ของขนานอนงัวตานอนนั่งถวายกูได้ ทัดกันก็พอพออยู่ได้พอเป็นพอไปยังไม่มีปัญหาอะไรกินได้นอนหลับยังรับกรรมเสร็จแล้วซ่อมหัวใจอ่เป็นอะไรมันติดตันนะอ่ก uh. ี่เส้นนะกี apple? ่เส้นไปนำบอูลูนนะอ่าฉลบไปสอบสั่วโมง อ่าเจ้าเดไปทันเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาขึ้นมาดั้มเ น, นื้นอหัวใจไปห้องใหม่เห ล, ห ล, หลเือสัมห้องอ่ก็จะเริรน่มติดมาเลยเดทำใจสงบ ห, หลวงตาท่านก็เคยเป็นจิตหัวใจท่านจะหยุดเต้นท่านก็เอาเอาใบปารานามาประเคนเคคสาธุ เดี๋ยวเชิญหยิบนงเสียซีดีไปนะหยิบไปถวายหลวงพ่อท่านชุดถึงนี่ถ่ายรูปเอาถ่ายนะตอนนี้เห็นั้ยเห็นส ย้อนอะไรไม่ย้อนแล้วลตะองไปทางนี้ขอให้ลูดูได้ก็ดีได้ไม่ย้อนแล้วแสงมันอยู่ข้างบนลงมากไม้าถูกขอให้เจริญธรรมยิ่งขึ้นไปนะ ที่นี่สงบมากเลยหลวงพ่อขึ้นมาสวยเป็นของป่าไม้เขาการแม่คนก็มาพวกฟ่าโครงการของในหลวงในหลวงเป็นคนสั่งให้ทำเพราะสมัยนั้นสมเด็จพระสังฆราชชั้นชอบขึ้นมาภาวนาบนเขาเนี่ยในหลวงก็เลยบอกให้ให้ป่าไม้มารักษาบริเวณไม่ให้คนมามาบุกลุกให้เป็นที่ภาวนาของพระไป ใช่แลนี่พปูเนี่ยมันกำลงทาดขันกันเรอยๆเช่นกันจนากธรรมชาติคอย อ, อยู่ไปนนานๆด้วยกันน ะ, ะ, ะจะได้ช่วยกั น, นตามธรรมชาติยิบได้ตามสบายเลย เอนอพแล้วอเรเไูด้วยกันบีซีดีด้วยนะบีซีดีนะเดี๋ยวเปิดในรถเออ่าเมื่อกี้ใครอยากจะถาม มีออกไปแล้วกลับมาแล้วเขาบอกว่าจะส่งข้อความมาทีหลังนะมีอะไรหมถามได้ไได้คอที่หนูอยากทราว่าเมื่อกี้ที่หลวงพ่อตอบคำถามที่เกี่ยวกับปฏิจจคติหลวะอ่าที่นี้ถ้าหยุดคิดนี่สังขารสังขารตัวที่ต่อจากอวิชาอย่างเงี้ยเป็นเจตสิกใช่ไหมเจ้าค่ะไม่เป็นความคิดปรุงแต่งไง สังขารในขันห้านะในในขันสี่นามาขันเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นเป็นสังขารตัวเดียวกับกันกับในขันห้าอ่สังขารความคิดปรุงแต่งเลียเราถึงมาพูดโทยุดมันเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเราเราภาวนาไปและจิตเราเรามีความตั้งมั่นและเห็นเห็นการกระจายของขันทั้งห้าขันเนี้ยนะเจ้าค่ะแล้วมันเหมือน ถ้าเกิดหนูวงวงวงอยู่บนกระดาษขาวๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นขันหนึ่งอันนี้ก็เป็นขันหนึ่งโอ้ไม่ไปรับปฏิบัติเราไม่ไม่ต้องการดูอย่างนั้นไปรับปฏิบัติแล้วต้องการให้จิตสงบให้มันว่างไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรอ่ไม่ต้องเห็นอะไรและอะไรผุดขึ้นมาแล้วคะก็อย่าไปสนใจมันให้ให้หยุดสังขารไปให้ว่ราเราจะต้องรู้ไหมคะว่าเราไม่ต้องวิพากวิจารณ์ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นตอนนี้ต้องการให้หยุดทุกอย่างเหมือนปิดปิดแอร์เนี่ย เป็นเครื่องดับเครื่องอ mm hmm. ไม่ต้องไปสนใจอะไรโผล่ขึ้นมาก็ให้อยู่กับพุโทโธไปคือคือไม่ต้องสนใจก็อยู่อยู่กับพุโทโธเท่านั้นอ่าอย่างเดียวไป เ, เรื่อยๆอ่าไปจน ก, กระทั่งมันตกหลุมตกบ่แล้วมันนิ่งสงบทุกอย่างหยุดบวดท้ายหมดเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เหลือแต่ตัวรู้อันนั้นเร า, เราได้สมาธิละได้อัปปนาสมาธิได้อุเบกขาแล้ว เี่พอเาได้อันนี้เราจะมีความสุขเราจะมีความอิ่มใจเพียงแต่ว่ามันเป็นความสุขใจอิ่มใจชัว่วคราวขั้นต่อไปเราก็ต้องใช้ปัญญามารักษาเหมือนเวลาออกจากสมาธิมาพอมันจะไปคิดเราก็ใช้ปัญญาให้มันคิดไปในทางที่ไม่อยากเวลาสมมุติว่ามันมั น, ม, นมันผุดขึ้นมาตัวตัวที่ผุดขึ้นมาตัวแรกเนี่ยเจ้าคะ่ะยังไม่มีเราใช่ไหมเจ้าคะ่ะ มันเราไม่มีเราก็แล้วแต่มันอไม่จะไปนสนใจมันไม่ได้อยู่ที่ตัวตรงนั้นมันอยู่ตรงที่ของที่เราไปอยากได้แค่นั้นอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไรให้มเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราพอออกจากสมาธิปพอเขพออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องสนใจก็สนใจถ้ามันที่ว่าอยากจะได้แฟนก็ต้องไปสอนมันว่าอย่าไปเอาแฟนมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเรา แต่มันไม่ใช่เป็นของเรามันเป็นของเราชั่วคราววันดีคืนดีก็เป็นของคนอื่นไปเออให้สอนอย่างนี้มันจะได้หยุดความอยากไปมีแฟนอพออยากจะได้แล้วก็สอนเราว่าอย่าไปอยาอย่าไปอยากเพราะมันเป็นทุกข์เพราะเดี๋ยวมันก็จากเราไปเป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาน่า อ, อยู่กับพุทโธแล้วก็ว่างๆอยูอยางนันเกิดถ้ามัน ถ้าอัน น, นมันถึงขั้ปัญญาแล้วมันไม่ต้องพูดโทแล้มันจะมันจะใช้ปัญญาคอยหยุดความอยากอย่างเดียวสมมุติว่ามันการที่ผลขึ้นมาเนี่ยเป็นความลึกคิดในทางอกุศลเขาหยุดมันให้เขาพูดโทพูดโธไป อ, อันนี้เรียกว่าการเปลี่ยนเปลี่ยนยับยั้งจิตแล้วเปลี่ยนจิตนิภารเจ้าคะเจ้าต้อี่อะไรก็หยุดความคิดนั่นแหละจะเป็นหยุดความคิดที่ไม่ดีทั้งความที่ที่ดีก็ยังไม่ต้องคิดถ้าจะทําใจให้สงบไม่ให้คิดอะไรเลย แล้วพอสงบแล้วขั้นต่อไปก็สอนให้มันคิดแต่ในเรื่องที่ดีคิดที่ให้มันปล่อยวางคิดให้มันไม่ไปยึดไปติดไปอยากได้อะไรแปลว่าถ้าเกิดมันตรงุงมันตรงชั่วขึ้นมาก็ ก, ก็เฉยๆก็มันก็มองมันเหมือนอะไรผ่านมาแล้วก็ผ่านไปกลมันจะไม่ผ่านไปสิต้องหยุดมันดีกว่าใช้พุโทโธดีกว่า หยุดมันอนอกจากถ้าปล่อยมันมันกิดปั๊บดับไปได้เราไม่เราไม่ไปยุ่งกับมันก็ได้แต่กลัวมันจะไม่อย่างนั้นเลยกลัวมันจะทําให้เราทุกข์เราไปวุ่นวายไปกับมันถ้าถ้าทุกข์วุ่นวายก็หยุดมันก่อนดีกว่าอืมพุทโธพุทโธไปก่อนงั้นแสดงว่าหลวงพ่อกําลังจะสอนสอนว่าถ้าสติเราไม่มีกําลังของของมัน สมาธิาไม่ตั้งมาละปัญญาไม่เข้มแข็งพอนี่นไหอยู่กับกุทอก่อนอจนกว่าเราจะพร้อมที่ว่าจะมีปล่อยวางได้ทุกอย่างเห็นแล้วก็ปล่อยวาง